<Book> 86คำถามอดีตการสองคุณผูกเน็คไทเส้นไหนวิ l ก็ตสิลิปส์ฮร์ดบรุกต คุณซื้อรถคันไหนแล้ววิลกันบิลฮคคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนวิลออคุณได้เห็นใครคุณได้พบใคร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 ทำไมคุณถึงตื่นนอนทำไมคุณถึงเป็นครูทำไมคุณถึงนั็ไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่คุณึงร็กมคุณรถทกำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่มคุคุณทมึงนังรกไนักซี่ทำไ f คุณคุณมกน คุณไปไหนมาคุณไปอยู่ที่ไหนมาคุณไปช่วยใครมาคุณเขียนถึงใคร Till คุณตอบใคร hvem har du svart?